ตัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครกค่ะอีกวันหนึ่งนะคะสําหรับเวลาที่ดิฉันสันติน่าพงศ์จะได้มีโอกาสมานมัส ก, การเรียนถามคําถามต่างๆที่คิดว่าอาจจะเป็นคําถามทางโลกพื้นๆแต่ว่าเมื่อฟังคําตอบจากพระมหาภัยบูร์อ่ิปุญโนเจ้าพระปะดาดรณไฮโซอุดรธานีไขปัญหาให้กับท่านทั้งหลายนะคะและสําหรับในวันนี้เราก็ไปกราบนมัส ก, การท่านกันก่อนแล้วค่อยนําเข้าสู่คําถามต่อไปค่ะ นส ก, การ์ด ค, ครับท่านคะเยี่ยมมานค่ะอ่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าเรื่องทํานองเดียวกันเนี้ค่ะท่ะานค่ะเยี่ยมมากที่จะเป็นคําถามให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังไปพร้อมกันคือบางคนเนี่ยนะคะอืเป็นส่วนไม่น้อยทีเดียวในสังคมไทยเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆถึงเรื่องของความยังมีอยู่ของผู้ที่จากไปแล้วอืมนะคะ อ่าเช่นอาจจะเข้าใจว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆอะไรแบบเนี้ยตัวอย่างที่อ่าดิฉันจะนํามากราบเรียนถามไหนไคือดิฉันเคยได้ยินคนที่เขาอยู่ใกล้ๆรอบตัวเนี่ยอืเขาก็บอกว่าคือลูกเนี่ยมีอุบัติเหตุเสียชีวิตไปหลายปีแล้วล่ะค่ะอ่าเสียชีวิตไปในยามที่กําลังสวยสดงดงามจะจบมหาวิทยาลัยในคณะที่ เมื่อจบมากา็น่าจะทำให้ลูกเนี่ยมีพื้นฐานในการที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างงดงามแล้วก็เป็นเกียรติยศของวงปตระกูลนะคะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแน่นอนล่ะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเสียใจมากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่เนี่เสียใจหมดนะคะแต่ทีนี้ที่จะเป็นคำถามก็คือว่า ท่านก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่รู้จักสนิทสนมมีบางคนก็หวังดีเห็นว่าเสียลูกสาวไปก็จะมายกลูกสาวให้เพื่อที่จะได้มาทดแทนท่านบอกว่าวันที่มีการเอ่ยปากในเรื่องเนี้ยซึ่งเกิดขึ้นสองครั้งเหมือนเหมือนกันเลยนะคะอืจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในบ้านเช่นไฟดับพรึบอย่างเงี้ยนะคะอืเหมือนกับ ใ่าก็คิดอะว่าเหมือนกับว่าลูกเนี่ยแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างออกมายัางวนเวียนอยู่รอบตัวว่าอย่างนั้นเถอะอือในทางพระพุทธศาสนาของพระศาสดาของเราเนี่ยค่ะมีคําตอบในเรื่องนี้ที่จะให้เกิดปัญญากับผู้ที่ฟังอย่างไรคะคือมั น, เ ป, นเป็นได้สองกรณีคุณโยมติวเตอถ้าในลักษณะนี้ ค, คืออาจจะบังเอิญก็ได้นะคือบังเอิญสองครั้งติดกันนี้มันเป็นไปได้แต่ความน่าจะเป็นอาจจะเป็นได้น้อยหน่อยแต่ก็เป็นไปได้นะ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งหรือว่ากรณีที่สองก็อย่างที่เขาคิดอาจจะเป็นจริงก็ได้นะว่าความมีอยู่ของคนบุคคลที่จากเราไปแล้วจากโลกนี้แเ้าก็อาจจะไปอยู่ในโลกหน้าซึ่งอา จ, จะมีการสื่อสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้เราพบเห็นได้นะเช่อาจจะฝัน<ช>หรือว่ามาเป็นในรูปของอย่างที่เขาพบเจออย่างเงี้ยนะก็ะเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วอย่างนี้หรอคะก็ะเป็นไปได้นะเพราะว่า ในเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีหลายอย่างเช่นว่าคนนี้ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์แถวแถวบ้านเพราะว่ายังยังรักในบุคคลในบ้านนี้อยู่อันนี้ก็มีหรือว่าไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่ยังมาวนเวียนอยู่เป็นเทวดาชนิดที่เรียกว่าไม่ได้สูงชั้นไม่ได้สูงมากคือถ้ามันจะมีหลายชั้นชั้นที่อยู่ใกล้มนุษย์ก็เช่นภูมิทเทวดาหรือว่าจาตุมหาราชิกาอย่างเงี้ย ก็ยงอยู่ในวนเวียนใกล้ๆมนุษย์อยันอยู่ก็จะมีตัวอย่างที่ในสมัยพุฒิการนะออันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ประเด็คือตรงนี้คุณยมติว่าถ้าสมมุติเราสูญเสียของรักอย่างใดอย่างหนึ่งไปแต่ละการที่จะหาของรักอีกอย่างหนึ่งมาทดแทนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเพราะว่าของรักที่คุณได้มาใหม่เนี่ยก็เหมือนจะต้องเสียไปอยู่ดีคือเราไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดนะนะ แต่ปัญหาที่จะต้องแก้ถูกจุดก็คือว่าเอ๊เราจะทําจิตใจของเราอย่างไรเมื่อเวลาที่เสียของรักแล้วเราจะไม่รํำไรําครวญนี่คือประเด็นที่เราต้องแก้ให้ได้นะคือหาของรักมาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไม่ใช่ทางแก้ปัญหาตัวนี้อาจจะเป็นนิมิตให้เขาเพื่อที่จะให้เขาจะต้องทราบประเด็นตรงนี้ด้วยก็ได้อาจจะเป็นคนที่คนอื่นที่เขาแบบรักษาบุคคล น, นั้นอยู่ที่เขาเพื่อต้องการจะสื่อสารข้อมูลนี้ก็ อ, อาจจะเป็นได้เป็นนิมิตได้เห็น แต่เขาจะต้องตีความไม่ออกละก็เป็นไปไดม้มันเป็นไปได้หลายอย่างที น, นี้คนที่จะทราบได้ก็ต้องมีเครื่องรู้พิเศษเครื่องรู้พิเศษในการที่จะรู้ว่าอ้เหตุการณ์ น, นี้เป็นเพราะว่าการไฟฟ้าหรือว่าเป็นเพราะว่าเรื่องวิญญาณอย่างอื่นอันนี้ก็ก็ต้องให้เขาไปตรวจสอบคือมันเป็นไปได้ทุกอย่างแหละคุณโยมติว๋วอนุมาว่าค่ะสมมุติว่าเกิดยังไม่มีความรู้ชัดเพราะว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ความรู้สึกก็จะ คิดอยู่สองอย่างว่ามันอาจจะบังเอิญเ อ, อหรือเขายัางอยู่ใกล้ๆนะมเป็นสมมุตินะคะทุกคนดิฉันเชื่อว่าถ้ามีสายสัมพันธ์กันมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าในแง่มุมที่ยังมีอยู่เนี่ยก็อยากจะดูแลอยากจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าคิดเช่นนั้นแล้วอ่าควรจะคิดอย่างนั้นต่อไปหรือไม่เออมันมันเป็นไปได้ยากนะแต่มาคิดว่านะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง แต่เวลาคนตายไปเนี่ยจะไปจะไปที่ไหนเนี่ยมันมันเป็นไปได้เยอะแยะมากมายนะแล้วถ้าไปที่นั่นคือถ้าไปนรกเนี่ยนะคือมันจบเลยคือคุณไม่สามารถมาได้อยู่แล้วแต่เขาก็จะไปทําตามพิธีกรรมของนรกเขาไปทําไปแตนะ่ถ้าไปสัตว์เดรัจฉานนี่ก็มาไม่ได้อยู่แล้วแตนะ่ถ้าไปเทวดาเนี่ยเทวดาก็ไม่น่าจะมาอยู่ดีเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขาจะมีความสุขแบบเทวดาอยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะไม่ได้มาแบบ บนเปลี่ยนว่นเวียนอะไรอยู่ในแถวมนุษย์อีกนะค่ะแล้วก็นานๆจะมาทีอาจจะเป็นไปได้ก็นานๆทีเอ่อซึ่งเทวดาก็จะมีความสุขอย่างเทวดามันก็จะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เท่าไหร่ค่ะฟังดูเหมือนกับท่านกําลังพยายามจะบอกว่าโอกาสที่จะเป็นประการที่สองมีน้อยมากในในความเห็นส่วนดวงน่มาใช่แต่อันนี้เป็นอัตโนมัตินะเป็นความเห็นส่วนตัวค่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติกับ อกับเจ้าตัวที่เขามีความรู้สึกอย่างนี้นะคะนึนเข้าใจว่าอถ้าคิดแล้วไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความทุกข์ก็ดีไปนะคะอืแต่ถ้าความรู้สึกเนี้ยมันทําให้ไม่มีความสุขจริงๆสักทีไม่โปร่งใจจริงๆสักทีต้องคิดแบบที่สามคุณยมติวนั่นนะสิค่ะแตว่าตรงนี้คือนิมิตที่ให้เราเพื่อที่จะรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ถูกต้องอย่างนี่อาจารมาว่าเมื่อสักครู่นะว่ า, นะวา ตรงนี like p p times, ้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาถ้าเราจะมีของรักอันใหม่แต่สิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าเอ๊ะอะไรที่ทาให้เราปวดใจอะไรที่ทาให้เราปวดใจเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เรารักนะแต่มันเป็นตันหาที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นต่างหากเป็นตันหาที่เกิดขึ้นในของที่เรารักแต่ถ้าเราเอาตันหาตรงนี้ออกได้เนี่ยมันถึงจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วแล้วตรงเนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่ทุกข์แต่เราจะมีของที่เรารักหรือเราจะไม่มีของที่เรารัก เราก็จะไม่ทุกขนะ์เพราะว่าเหตุของความทุกข์นั้นมันถูกเอาออกไปนั่นคือตัณหาคะตอนนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้อันนี้เป็นทางออกที่สามที่เขาสามารถที่จะพอเขาเขาเข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้ว่าอ๋อ ส, สุขหรือทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกันนะอะไรล่ะที่ทําให้เราเป็นทุกข์เอาตัณหาเอาตรงนั้นออกแตตรงนี้จะเป็นทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเขาจะมีความสุขด้วยค่ะงั้นขออนุญาตที่จะให้ททําาาาควมมเเขข้้้ใใใจจหชัดนนนกกยิ่ง่งึนนรณีี ท่านกำลังบอกว่าที่ทุกข์อยู่น่ะเป็นเพราะมีตันหาสำหรับตัวอย่างอย่างเนี้ยตันหาอยู่ตรงไหนอย่างไรละคะอตันหาคือความอยากอยากอยู่ในลักษณะสามอย่างคืออยากให้เป็นอย่างนี้อนี้คืออยากอย่างที่หอยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆสมมติเป็นลูกที่เสียชีวิตไปอยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆคืออยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหาค่ะอยากให้เป็นอย่างนี้ แล้วก็อยากไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกวิภาวะตัณหายากไม่อยากให้ลูกไปเลยอ่าไม่อยากให้ลูกไปเลยแสดงว่าคืออยากที่จะไม่ให้ไปอยากที่จะไม่ให้ไปนี่ถูกรัฐถูกรัฐสองสองต่อแล้วนะถูกรัฐสองต่อแล้วก็ยังมีความอยากที่เกิดได้เห็นได้รูปผมได้พูดคุยอันนี้ก็เรียกว่าความความอยากที่เกิดจากทางตาทางหูเรียกว่าการมาตัณหาค่ะอันนี้คืออยากอย่างที่สามค่ะมันก็จะถูกรัฐอยู่ตรงเนี้ย แต่ถ้าถูกรัดรัดแล้ ว, ลวไอ้ไอ้ตันหานี่มันเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมีย่ว่าผูกไว้อผูกไว้ด้วยเงื่อนคุณชาเปรียบอย่างนี้ว่า เ, าเหมือนกับเครื่องผูกสุนัข น, นะเราเราเอาเข า, เ, าเรียกว่าอะไรล่ะที่ที่ทรัดคอสุนัข่ะคะก็เรียกว่าอะไรนปลอกอปลอกคอะคะสุนัขใช่ปรากฏว่าถ้าเราเอาปล อ, อกคอไปรัดคอสุนัขเนี่ยถ้ารัดมันแน่นเกินไปมันก็จะมันก็จะมันก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องรัดไว้หลวม พอให้หลวมแต่ว่าเงื่อนที่รัดเนี่ยต้องแน่นมากๆเงื่อนที่รัดเนี่ยนะเงื่อนที่ผูกตรงนั้นเนี่ยต้องแน่นมากๆผู้ชอบพูดว่าตันหานี่มันเป็นงี้นะผูกไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยากตันหานะเป็นเครื่องผูกที่เรียกว่าผูกไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยากนะใครคิดว่าเครื่องผูกคือยาด้ยายเชือกปานหรือว่าโซ่หรือว่าโซ่ตรวนหรือว่าเชือกแบบไหนก็ตามเนี่ยจะมารัดคนที่ ใ ห, studios, ให้เป็นเครื่องผูกที่มั่นคงเนี่ยไม่ใช่เลยแต่ตันหานี่แหละเป็นเครื่องผูกที่ยิ่งกว่าเครื่องผูกเหล่านั้นนะซึ่งผูกไว้หลวมๆแต่แกไระยากทําไมมันต้องผูกไว้หลวมๆเพราะว่าถ้าผูกแน่นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหนแต่มถ้าผูกแน่นเนี่ยมันจะรู้ว่าต้นตอมอยู่ที่ไหนมันก็จะสาวหาเจอซึ่งต้นตอมันอยู่ที่อวิชานะต้นตออยู่ที่อวิชาเพราะนั้นก็จะหาไม่เจอว่าตรงไหนก็พยายามที่จะไปหาภายนอกหาภายนอก แต่ก็ไปไม่ได้เพราะถูกตันหารัดรึองอยู่ค่ะแต่แก้นี่แก้ยากมากมันเป็นบกผูกแน่นตรงนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตแล้วก็น่าที่จะร้ครวญตามไปสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเราเองเให้มากขึ้นด้วยว่าที่เป็นความทุกข์มากๆเนี่ยมันเกิดเพราะสิ่งที่เรียกว่าตันหาอย่างไรอ่ะดิฉันชอบจริงๆแล้วนะคะ ที่บอกว่าผูกไปหลวมๆแกได้ยากแกได้ยากใช่เพราะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารากของปัญหาเนี่ยไปไกลถึงขนาดอาวิชชาอืมอมันเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าหญ้าคาในหะญ้าคาปริชาเขเปรียบเทียบไว้อย่างหนึ่งกันนะค่ ะ, ะว่าถ้าเรารดน้ำลงบนหญ้าคาเนี่ยรากมันก็จะยิ่งงอกลึกแล้วตัวหญ้าคามันก็ยิ่งแผ่ไปไกล แตนะ่ตัวยาคาเนี่เปรียบเสมือนตันหารากของมันคืออภิชาแตนะ่น้ําที่ลดลงไปเนี่ยคือลักษณะผัสสะแต่ถ้าเราเราลดน้ําลงบนเรามีผัสสะมากระทบผัสสะมากระทบและเราเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยจิตใจนั้นก็จะถูกปกคลุมด้วยย่าคายิ่งหลังยากรากลึกลงไปนะของญ่า น, นั้นก็เป็นตันหาแต่ถ้าบอกว่าใจของเราเนี่ยถูกฝึกมาอย่างดี ใ, ใจของเราฝึกถูกฝึมาอย่างดีนะผัสสะต่งนางๆที่มากระทบเนี่ยมันก็จะเหมือนกับน้ํา คือภาษาคือน้ํานะที่หยดลงบนใบบัวหรือว่าบนดอกบัวเวลาดอกบัวถูกน้ํากระทบหรือว่าใบบัวถูกน้ํากระทบเนี่ยอมันจะไม่มันจะไม่ติดกันจะพูดยังไงดีคุณโยมถึงมันมันติดกันนะนะแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไหลลื่นออกไปได้ออะคือน้ําเนี่ยเหมือนกับมันจะไม่ซึมอไม่ซึมเข้าอา่าเขาเรียกว่าจะเป็นของที่ไม่เนื่องกันคและนะติดกันอยู่ก็จริงแต่ไม่เนื่องกันนะจิตใจที่ฝึกดีแล้วจะเป็นอย่างนั้น โอเคเรามีภาษามากระทบใช่อยู่ทั้งของรักของไม่พอใจของชอบของไม่ชอบมีหมดแ ต, แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราเราจริตใจเราฝึกไม่ดีนะคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมาทําให้เราพอใจไม่พอใจก็จะหวันไหวไปตามตามสิ่งที่มากระทบนะแต่ถ้าบอกว่าจิตใจขงเราฝึกดีแล้วแต่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบดอกบัวใบบัวนะเอามากระทบอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่เกลื่อกลั่วลงไปในใจของเราได้ใจของเราก็ยังจะ พอจะอยู่อยู่ได้โดยที่ไม่ถูกกระทบโดยสิ่งนั้นทั้งชอบและไม่ชอบ <Okay. S 1> ถึงเวลาถึงเวลาที่ถ้าผัสสะนั้ น, นเหตุปัจจัยของมันยังอยู่มันก็อยู่ไปถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปมันก็ดับไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับมันไม่ไม่เดือดร้อนกับมันมากเท่าไหร่ <Okay. S 1> อันนี้คือคือว่าเราจะต้องทําจิตใจยังไงล่ะให้เหมือนกับดอกบัวให้เหมือนกับใบบัวให้ได้แล้วก็ <Okay. S 1> อย่างที่ว่าเนี่ยต้องตั้งสติเอาไว้ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าสติที่เราตั้งเอาไว้แล้ว แล้วเราจะจิตจังเราจะไม่ไปเกลือกกล้วในอารมณ์ที่มากระทบได้ค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังเชื่อว่ามีคนที่เสียชีวิตไปแล้วในวนเวียนอยู่เนี่ยเป็นเพราะสัณหาสามอย่างนี้นะคะภา<ช>วะตัณหาตัญหาที่อยากให้มีใช่กับอวิภาวะตัณหาเหคะวิภวะตัณหาถูกต้องค่ะคืออยากไม่ให้มีใช่อยากไม่ให้ลูก จากไปแล้วไปเลยภาะวะตัญหาอยากให้มีคืออยากให้มีอยู่แล้วก็อย่างที่สามคือกามมาตัญหาคืออยากที่จะให้มีเขาให้เราได้สัมผัสในลักษณะต่างต่างนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากามาตัญหาและพวกนี้น่ากลัวมากพระพุทธองค์เปรียบเหมือนกับว่ า, าเราเอาปลอกคอใช่ไหมคะปลอกคอปูกสุดนัก ผูกสุนัขไว้หลวมๆแต่แก้ได้ยากใช่ตรงนี้เป็นเป็นพุทธพจน์เลยตัณหาคือเครื่องผูกที่ผูกไว้หลวมๆแต่ว่าแก้ได้ยากอืเครื่องผูกนะคะดิฉันชอบมากเลยเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วกน็นอกจากนี้เกิดมาต้องทาความเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าอา้าวแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีตัณหาแล้วจะมีชีวิตอยู่ยังไงเดี๋ยวต้องการจะยกตัวอย่างตรงนี้ประกอบนิดหนึ่ง <c oughs> ว่าสมมติว่าอาพ่อแม่แต่ถ้าไม่ได้มี การมัตรฐาวิภาวะตัณหาหรือภาวะตัณหาในลูกเนี่ยเแล้วแล้วจะเลี้ยงลูกยังไงเนี่อาไหมเออมันจะส่งลูกไปโรงเรียนได้ไหมหรือว่าจะซื้อข้าวให้ลูกกินหรือเปล่าเอ๊ไม่มีตัณหามันจะยังไงงงๆอะนะแต่ทําความเข้าใจให้ฟังก่อนว่าคนที่มีตัณหาเนี่ยแล้วมันจะทุกเนี่ยเราเข้าใจกันละแล้วถ้าไม่มีตัณหามันจะไม่ทุกได้ยังไงมันตรงนี้คนโยมตีว่าถ้าคนที่ไม่มีตัณหาเนี่ยนะแสดงว่าเขาต้องเดินปฏิบัติตามมาร์กแน่นอนแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม ในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แต่เขาจะต้องรู้หน้าที่มีความศรัทธานในคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้หน้าที่แล้วว่ามาดาบิดาต้องทําอะไรแล้วเขาก็จะเลี้ยงลูกอย่างดีนะให้ศึกษาศิลปะวิทยาถ้าลูกทําผิดทําไม่ถูกเราต้องสั่งสอนถ้าลูกทําดีทําถูกเราต้องสนับสนุน <Okay. S 1> เราต้องส่งเขาไปโรงเรียนเราต้องมอบบัตรดกให้สั่งสอนลูกให้ดีอันนี้จะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ทํา <Okay. S 1> ทําแล้วถ้าลูกมันออกมาไม่ดีถ้าลูกมันออกมาไม่ดีนะ ก็คือเขาก็จะไม่ถูกใจไม่ทุกใจเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้มีความอยากม่าให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันเป็นลูกแก่ดําเกิดมาก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าลูกออกมาดี่เขาก็จะไม่ได้มีความทุกข์ใจแต่ถ้าลูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นดีๆที่เป็นเขาก็จะสบายใจแล้วก็ทําตามหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งอารามามองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะว่าถ้า พ่อแม่สามารถเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าคนที่มีตัณหาแน่นอนจะใช้อารมณ์ค่ะเอะท่านพิบูลค่ะแต่ทีนี้ที่ฉันก็อเข้าใจว่าเรื่องที่จะไม่มีตัณหาเลยในมนุษย์ทั่วๆไปมันคงเป็นไปได้ยาก น, นะคะอ่าเข้าใจเข้าใจค่ะมันคงจะมีเหลืออยู่บ้างเพราะตัณหาอ่าวิภาวะตัณ ห, หากับกลามาตัณหานะะี่ยค่ะคือถ้าที่อาจะรยมาพูดในกรณีนี้นะคือไม่ใช่ว่า 0% ไม่ใช่ว่ามีตันหา 0% แต่เรากำลังพูดถึงว่าคุณลดระดับของตันหาเนี่ยให้มันน้อยลงเนะีเพราะว่าถ้ามีตันหามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอคุโสธรรมเป็นเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ตามอํานาจของตันหาแต่นะถ้าเรามีตันหามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นเราก็จะปิดศีนได้นะจะใช้อารมณ์ได้มันเริ่มจากใช้อารมณ์นิดหน่อยหน่อยก่อนดากันว่ากันแล้วก็มากขึ้นไปอีกโก6การนฆ่ากั น, นแล้วก็ใช้อารมณ์รุนแรงมากขึ้น ไปถึงกินเหล้าผิดศีลเขา อ, อื่อือ่น อ, อ, อ, อ, อ, อันนี้คือโตตามความใหญ่ของตันหาค่ะแต่ที่ถ้าตันหามันลดลงได้รับการควบคุมอยู่ในระดับที่อยู่ในศีลได้อันนี้ดีอันนี้ดีมากนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เรียกประเสริฐแล้วประเสริฐแล้วศีลสีอท่านคะศีลห้าศีลแปดศีลห้นี่แหละศีลห้านี่แหล ะ, นนล ะ, ะอย่างน้อยคือเราก็ยังไม่ถึงกับปุ้ยโกหกแต่อาจจะมีอารมณ์บ้างาพยายามควบคุมนิดนิดหน่อยๆเอาให้มันลดลงมาอีกลดลงมาอีกเนี่ย ก็จะดียิ่งขึนแล้วก็จะดียิ่งขึ้น ค, ความทุกขเราก็จะน้อยลงคกายปฏิบัติตามมรรคเราก็จะทำได้มากขึ้นค่ะและถ้าหากจะยัง อ, อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ไม่สบายใจเรียนเชื่อนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่รักใครมากๆใบางทีทำยังไงก็ยังเป็นห่วงนะคะยิ่งมาแสดงอาการอะไรให้เราเข้าใจว่าอาจจะยังวนเวียนอยู่แถวนี้เราจะสบายใจมากขึน ได้อย่างไรอ่าในเหมือนว่เาเราจะรู้ว่าเขาไปสบายไหมอะไรไหมหรืปลดปล่อยเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะทําไงดีดคะเอ่อมันมันเป็นอย่างนี้ว่าเนื่องจากเรากลับมาที่ตรงอุปมาปไมัยเดิมนะคุณจำตัวที่ว่าตัญหานี่คือลูกศรที่ถูกแทงแล้วพิษมันคืออวิชาค่ะแต่ทีนี้ถ้าพิษมันลั่นเข้าสู่หัวใจแล้วเนี่ยยังไงคุณจะต้องรีบถอนพิษตัวนี้ก่อนเพราะมันจะเจ็บนะเพราะนั้นประเด็นคือตรงนี้แทนที่ว่าเราจะไปคิดเรื่องนี้อีกเราต้องไปคิดเรื่องอื่น นะคืออย่างวิธีการแก้พิษเนี่ยคือเขาต้องใส่สารที่เรียกว่าแอนติโดนต์แอนติโดนนี่ก็คือว่าสารที่จะยับยั้งปฏิกิริยาของพิษนั้นในทางการแพทย์นะเขาจะต้องทําอย่างนั้นแต่เ <Okay. S 1> นะช่นเดียวกันในทางจิตของเราเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยย้ำคิดย้าทำเนี่ยเรายิ่งเจ็บเจ็บทุกทีเจ็บทุกครั้งที่คิดงั้นต้องไปคิดเรื่องอื่นจะต้องเปลี่ยนเรื่องคิดหาอย่างอื่นทำไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้เลย <Okay. S 1> นะไปทําอย่างอื่นคบเพื่อนหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นนะที่ที่มันจะเสี่ยงต่อความทุกนน้ออยยห่ <Okay. S 2> คือคือถ้ายังเป็นไปทางการมันก็จะมีความทุกข์มากแหละอาจจะมายังไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องไปสังเกตลมหายใจไปวัดนั่งสมาธินะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ในเป็นเร <Okay. S 2> ื่องอื่นๆที่เราจะไปทําได้ที่ให้เราล้างสมองจากไอ้ความคิดเรื่องนี้ที่มันจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ซะก่อนอ <Okay. S 2> ย่างน้อยคุณจะทุกน้อยลงได้อยู่ <Okay. S 2> แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นแพยายามที่จะเอาตัวปัญหาเนี่ยคือเจ้าปัญหาเนี่ยออกโดยการที่ใส่ ย, ยา อย่างนที่นี้คือทำ ม, มักแ8ดให้เจริญมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าต่อให้เรารู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้จะกลับอะไรมาอยู่อย่างเดิมที่เคยหวังอยู่ดีอ่ะค่ะแต่ต้องเอาความหวังความปรารถนาแล้วตัญหาตัวเนี้ยออกไปจากใจของเราถึงจะถูกค่ะแล้วสิ่งที่เราทําเนี่ยถ้าทําตามคันลองของคําสอนของภาษาศาสตร์ที่ว่ามีรักษาศีลแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัญหาน้อยลงได้เนี่ย มีกุศลที่จะไปถึงใครที่เรากําลังห่วงใยเขาด้วยไหมคะบุคคลที่บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเราแต่ที่ว่ามีภัสสะร่วมกันมาเนี่ยคือเหมือนจิตใจของเราเนี่ยนะถ้ามันสว่างขึ้นแตนะสว่างขึ้นคนที่อยู่รอบๆก็จะได้รับแสงสว่างนั้นด้วยนะสมมติว่าถ้าคุณโยมติวถือเทียนเล่ม น, นึงใช่ไหมเราก็ถือเทียงของเราเราก็ทํางานของเราแล้วก็สว่า ง, งเราคนข้างๆเนี่ยก็ได้รับแสงสว่างนี้ด้วยนะแล้วถ้าเขาต่อเตียงจากเราไปสองดวงยิ่งสว่างกันมากขึ้น อันนี้เปรียบเทียบให้เข้าใจว่าถ้าจิตใจเรามีตันหาที่มันรัดรึงเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอา้าวงั้นเอาใหม่เราตันหาออกจิตใจเราก็จะสว่างมากขึ้นการติดต่อสื่อสารกับผู้คนเราพูดกับคนนี้คนนี้ที่เราเห็นได้เลยนะอันนี้ก็จะทําให้มันแจ่มใสมากขึ้นและแน่นอนจิตเป็นแบบนี้คนหนึ่งที่สิ่งมีชุดิตอื่นๆที่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จะได้รับ เ, เขาเรียกว่ารัศมีหรือว่าจิตใจที่ดีๆอย่างนี้ไปด้วยได้แน่นอน ก็หวังว่าสิ่งที่ท่านพบูลณ์ได้ไขข้อสงสัยหรือว่าความไม่สบายอกไม่สบายใจของใครบางคนหรื อ, อแค่รู้แล้วก็อยากจะนำเอาไว้ไปปฏิบัติเผื่อจะเกิดกรณีทํานองเดียวนี้กับตัวเราเองบ้างเนี่ยนะคะก็น่าที่จะเห็นหนทางในการที่จะปฏิบัติต่อแล้วก็น่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อ ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนำมาเป็นคําถามนี้นะคะก็กลับนมัส ก, การขอบพระคุณท่านภับูลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะใช่ปานใช่ปาค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะนะครบมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากและถ้าไม่มีวิธีในการที่จะคลี่คลายที่ถูกต้องเราคงจะดํารงชีวิตกันอยู่แดดไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าที่ควรหรือว่ามีความทุกข์ มากเกินไปคาสอนของพระศาสดานะคะมีเหตุมีผลชี้ให้เราเห็นเลยว่ า, าเหตุเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกเนี่ยทุกทุ ก, ทกความทุกมีเหตุแน่นอนนะคะและถ้าเราพบว่าเหตุเป็นอะไรและเราปฏิบัติตามวิธีแก้ไขทุกซึ่งพระพุทโธก็ตรัสเอาไว้ว่าเป็นอริยมรตมีองค์8สอนวิธีเอาไว้เสร็จสรบเรียบร้อยทุกจะน้อยลงหรือว่าดับไปได้ในที่สุด ท่านศรัทธาในพระพุทธองค์ก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้รายการสันสานิสนทนาดําเนินรายการโดยดิฉันสันสานิณัฐพงศ์ก็มาถึงเวลาที่จะนัดหมายกับท่านใหม่แล้วนะคะให้ไปฟังรายการกันในวันจันทร์ซึ่งจะพบกับพระอาจารย์ไพบูลท่านมาแสดงธรรมอย่างเต็มที่วันจันทร์อังคารพุธและพระหัสและสุขก็มาพบกับการสนทนาของท่านและดิฉันสันสานิณัฐพงศ์ค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธสวัสดีค่ะ